พระธรรมเทศนาแผ่นท in ี่106ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุฎธานีแสดงธรรมในวันที่31มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่านักเรียนดีวัดกันที่ศีลธรรมนั่งสบายๆลูกหลานนั่งพระเพียบกวนะ เดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรจะพูดให้ลูกหลานฟังเพราะลูกหลานนานทีปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็นักเรียนม .3 ก็ได้มาวัดหลวงพ่อแต่ลูกหลาน ม, มนั่นกับเป็นมสไปแล้วนะตอนนี้ม .3 ขึ้นมาใหม่เองปีนี้ก็มาหาได้มาวัดหลวงพ่อก่อนที่จะรับศีลหลวงตาจะ อธิบายเรื่องของศีลให้กับลูกหลานได้ฟังก่อนเพราะลูกหลานวัยการศึกษาไฟไวัยในการเรียนรู้เพราะนั้นพวกเราควรจะให้เข้าใจเรื่องศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลห้าเมื่อเราเข้ามาสู่วัดพวกเราก็อาราธนาศีลพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ก็หั่นก็ให้ศินไปเลยแต่ท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายเรื่องศินให้กับให้ลูกหลานได้ฟังลูกหลานบางคนก็พอจะเข้าใจแต่บางคนก็รับตามประเพณีเห็นเขารับก็รับไปแต่บอกคุณค่าและประโยชน์ของศินคืออะไรไม่มีใครอธิบายลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ลงตาเนี่ยจะได้อธิบายให้ลูก อธิบายเรื่องศีลให้กับลูกหลานฟังเบื้องแรกลูกหลานก็ได้อรรถนาศีมายัางพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะแต่บางแข่งบางครั้งก็อรรถนาศีว่ามายังพันเตติสระเนรสหปัญจศีลานิยาจามะแต่ทําไมรักษาศีลรสมาทานศีลห้าเหมือนกันทําไมจึงพูดพูดถึงสองศีล เป็นศินวะสองมาตรฐานใช่ไหมถ้าว่าผู้ที่สงสัยนะคงอยากจะถามอยากจะรู้นะแต่ตามไม่จริงมันเป็นสองมาตรฐานจริ ง, รงๆนั่นแหละขอสองอย่างนะแ ต, แต่คือศินห้าเดียวกันแต่คือศินมะยังพันเตติสรเน้นนัฐะปัญจะนะข้าพเจ้าจะขอสมาทานศินห้ารวมกันทั้งหมดทั้งห้าข้อพร้อมกันแปลว่ารับเป็นยวงไปเลยรับครั้งเดียวไปเลยถ้ามันขาดก็ขาด ทีเดียวทําได้ก็ได้มากทีเดียวแต่เมื่อยังพันเตวิสูงวิสูงเนี่ยข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการจะรับสินขอรับศินเป็นข้อคือข้อที่หนึ่งปานาธินากาเมมุสาสุราถ้าหากขาดข้อนึงก็ยังเหลืออยู่สี่ข้อและก็ขาดเป็นทีละข้อละข้อสมมุติว่าขาดข้อหนึ่งคืออะไรคือเห็นยุงมาแล้วก็ตบยุงบี้ยุงซะหรือฆ่าหมด อันนี้สิข 1, ขนข้อที่หนึ่งขาดไปไอข้อที่สองไปเห็นรองเท้าของเขาเออลงไปไเดินไปเห็นรองเท้าของที่สวยกว่าเราเราก็สวมรองเท้าเข้าไปทั้งที่เราก็รู้ว่าเราขโมยเขาสินข้อที่สองก็ขาดไปยังเลยอีกสามไปเห็นไปพูดเกาะแกะแกะกับสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาอันนี้ก็ขาดสินข้อที่สามไปโกหกเขา อ, อีก ขาดข้อที่สพอไปเห็นเขาวงเขากินเหล้าของเข้าไปกินเหล้ากับเขาอีกแปลว่าหมดทั้งห้าข้อเพราะฉะนั้นขอสินวิสูงวิสูงข้าพเจ้าจะรับสมาทานศิลเป็นข้อๆแต่มาอย่างพันเตติจารณีนัสหปัญจข้าพเจ้าจะรับสินทั้งหมดรวมกันทั้งห้าข้อถ้าขาดก็ขาดทั้งห้าข้อทั้งได้ก็ได้ทั้งห้าข้ออันนี้คือ ที่เราขอสมาทานแต่โรคตานี่ยถ้าลงตาให้ลงตาเลือดลงตานี่ถ้าจะรวยทั้งทีก็เอามาันรวยทีเดียวเลยเอามันทั้งห้าข้อเลยมันต้องกระยิ้มกระยิบนะเออเอาให้รวยไปเลยนะแต่ที่ยังไงพวกเราลูกหลานขอเป็นวิสูงวิสูงเมื่อกี้เนี่อันดับแรกองตากัจจวัณณโมตัสสะพระเขาว่โตความแปลและความหมายก็ว่าข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือนามโอตัสะเนความแปลและความหมายทําไมจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าศีลที่เราลูกหลานจะรับไปนี่ยนะที่หลวงตาจะเป็นผู้ผ่านนาไปนี่ยนะคือเป็นศีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลของหลวงตาอ่าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นพวกเราเป็นผู้สมาทานไม่ใช่หลวงตาให้ศีลนะถ้าหลวงตาให้ศีลเน่ยพวกเรารับทั้งสองสามรอคนเนี่ยนะ รับคนละครลงตายจะเอาสินที่ไหนมาให้ใช่ไหมลงตาก็มีศินส2งร้อยยี่สเจ็ดข้อเท่านั้นเองนะเอนั้นพวกเราจะสมาทานศินเองเพราะฉะนั้นการสมาทานสินคือศินของพระพุทธเจ้าแนะปลว่าพระธรรมคําสอนของาามมขพุทระพุทธเจ้าขอโนบโนมต้นต้นกําเนิดรว่าต้นผู้ความคิดต้นผู้บัญญัติเรื่องศินคือจะโนบโนมก่อน นักพุทธทางทำมังสังขังสระนังคัดฉามิพูดเป็นข้อๆนะกระดูตียำปี่พุทธทางทำมังสังขังตาตียำปี่พุทธทางดำมังสังขังสระนังคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพุทธทางสระนังคัดฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองบัญญัติพระธรรมวินัยบัญญัติศินให้พวกลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระธรรมคําสอนข้าพเจ้ายึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจรณะเป็นที่พึ่งสังขังข้าพเจ้ายึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นจรณะเป็นที่พึ่ง ถ้าหาวาไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาบอกกล่าวพนะระพุทธศาสนาคงไม่มาถึงเมืองไทยนะคงจะมดในยุคสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นหลวงพ่อจะหลวงตาจะกล่าวเป็นองค์ศี่เลยทันใดปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาติยามิ ข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกยังไงเราไม่รู้ความรู้สึกของเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องของเราฆ่าตัวของเราเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราเรามีความทุกข์ใจอย่างมากนะเพราะอะไรเพราะเราถูกฆ่าในคนอื่นของเขาล่ะ เขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันเมื่อเราไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่ถึงปานาอย่าคิดฆ่ากันแะถ้าไม่คิดฆ่ากัน้ะก็ต่างคนต่างสงบพร่มเย็นเป็นสุขข้อที่สองอธินาธานาอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยคนอื่นเขาเขาก็รู้สึกเสียใจถ้าเขามาขโมยของเรา เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นยาขาโมยของเขาจากขาโมยซึ่งกันและกันอย่างลูกหลานเนี่ยมีรองเท้าสวยๆมาเอาไปวางไวนะ้หมู่พวกเพื่อนสวมลงไปเออเป็นยังไงเราเสียใจเสียใจพอรองเท้าของเราดีราคาแพงนะอย่างนี้เป็นต้น น, ะนี่แหละการขาโมยของเขาเราเสียใจเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจข้อที่สมการ ม, มีสมิตธิสาจาราวร์มณี สามีภรรยาลูกหลานข้องไขของเขาเขากลรักษ์สงวนห่วงแขนอันนี้เราเป็นเด็กอยู่นะแต่เมื่อเราเป็นใหญ่ขึ้นมาเราจะรู้คุณค่าของสินข้อนี้มากมากนะถ้าสามีภรรยาของไขของเขาถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเขาไม่ถ้าเราไปล่วงล้ำของเขาไปขโมยของเขาไปเอาของเขาเขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สา ข้อที่สีมุสาวาทาเวรมาเนอย่าไปโกโ ก, โกโหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนโกหกเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันสมมติเราไม่มีเงินในธนาคารเราไปเขียนเช็คให้เขาอย่างนี้พอเขาเอาเงินเอาเช็คไปนั้นไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะเงินในธนาคารไม่มีถ้าเขามาให้กับเราละ่ะ ถ้าเงินน้อยก็ไม่เป็นไรนะถ้าเงินเป็นร้อยล้านล้า น, านเป็นล้านล้านเป็นร้อย ล, ล, ล้านขึ้นไปล่ะออถ้าไม่มีเงินโกหกกันนะ่ะเราจะมีความรู้สึกยังไงเสียใจยอย่างมากเลยเพราะถูกเขาหลอกถูกเขาโกหกนะ่ยอันนี้แหละคือศินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยมัชักประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างเพราะมันขาดสตินะทำความชั่วเสียหายข้อที่หนึ่งก็ขาดได้คือปานาฆ่าใครก็ได้เพราะมันขาดสติขมโมยใครก็ได้เพราะมันขาดสติลาบและล่วงในสานมีภรรยายลูกหลานของใครก็ได้เพราะมันขาดสติแล้วโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นสินควบคุมสติของคนเราเพราะนั้น ศีลห้าของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปไม่ได้อยู่ในที่อื่นไกลนะอยู่กับพวกเราทุกๆุกท่านอยู่กับลูกหลานทุกคนพอนั้นสรุปแล้วก็คือศีลของพระพุทธเจ้าเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปทำเน้นเขาเสียใจถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันไม่ดีเหรอต่างคนก็ต่างมีศีลจ้ะสัะสมกายวาจาของตนเอง พ่าไ้หลูกหลานเข้าใจนะให้ศึกษาดูให้ฟังที่หลวงตาพูดศิลให้ฟังเอาตอนนี้ไปหลวงตาพูดเรื่องศิลให้ฟังแล้วหลวงตาจะเป็นผู้พานำสมาทานสิ่แลวนะวที่นี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่เลนะเนผปติงยันติตัตมาสีลังวิโสทาเย ต่อไนี้ไปหลวงตาจะกล่าวสมัมโภตทนายกถาให้กับลูกหลานฟังและก็คงจะพูดไม่นานเพราะจวนจะเที่ยงแล้วนะลูกหลานจะหิวอาหารหิวข้าวนะหลวงตาจะพูดไม่นานแต่มาสู่วัดวาศาสนาแล้วลหลวงตาไม่พูดอะไรให้ฟังลูกหลานไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยมอนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะที่ลูกหลานมีจุดประสงค์มาวันนี้ก็ขึ้นป้ายแล้วนี่ย ขอถวายผ้าป่าพวกลูกหลานทั้งหลายกับคณะครูบาอาจารย์โรงเรียนรายราชินูเทศโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนผู้หญิงของจังหวัดอุดรธานีที่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่โรงเรียนรายชินูเทศได้ร่วมกันปีนี้ว่าวันนี้ทั้งวันชั้นม .3 ขนาดชั้นม .3 ลูกหลานกัน นั่งเต็มศาลาบักใหญ่ของหลวงพ่อดินะเจ้าพนันงเรียนใหญ่และก็ได้ทราบครูบาอาจารย์ได้ทราบว่าวัดของหลวงตาเนี่ยวัดป่านาคำน้อยเมื่อวันที่8 9, ดที่เ้าพฤศจิกายนห้าเก้าน้ำท่วมวัดของหลวงตา น, ะน้ำป่ามาท่วมเสียหายกำแพงที่หลงพวกเราเห็นเนี่ยล้มละเนระนาดล้มไปเกือบสอง ร้อกว่าเมตรแต่มันล้มนะที่มันพร้อมที่จะล้มอีก90กว่าเมตรนะและก็ถนนขาดสะพานขาดในวัดเองวันนั้นจะได้ซ่อมทางส่วนราชการทางผู้ว่าราชการจังหวัดโยธายจังหวัดชนประธานจังหวัดทางหลวงแผ่นดินทางหลวงศุนบทก็เข้ามาดูก็จะดูแล้วก็ประเมินค่าเสียหายประมาณจักเจ กว่าเกือบ8ล้านนะนี่แหละดนนีก้ก็กำลังฝ่ายพระสงฆ์ก็กำลังซ่อมกันอยู่กับฝ่ายคณะชาติญาติโยมลูกหลานได้ได้ยินข่าวทั้งครูบาอาจารย์ได้ยินข่าวก็ได้จัดเป็นภา ป, ป่าเข้ามาช่วยหนะลวงพ่อเองในฐานะประธานสง์นะเป็นเจ้าอวาดแล้วเป็นหลวงตาอยู่ที่นี่หลวงตายินดอนีอนุโมทนากับลูกหลานทุกๆ ทุกถูกโขทุกคนเนะ่า ท, ทุกหลานทุกคนเนะ่าและ ก, รการป้องกันก็ให้ได้บุญกุศลมากๆด้วยหลวงตาจะได้นําจตุปัจจัผ้าป่าเนี่ยเอามาช่วยจึงจะได้มากได้น้อยหลวงตาไม่ได้ติดใจติดใจจวบลูกหลานเป็นผู้มีน้ําใจได้มาช่วยวัดของหลวงตาตอนนั้นแหละเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคล ที่ลูกหลานได้เข้ามาสู่วัดของหลวงพอ่อแต่ถึงยังไงขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีสรุปแล้วนะพอมาหาหลวงตาหลวงตาจะแนะนําไม่เป็นคนดีอันดับแรกอย่างที่หลวงตาได้พูดนั่นแหะเรื่องศีลห้าเนี่ย น, นะตั้งแต่อนโมตัดสักหลวงตาแปลแล้วพูดให้ฟังมีความหมายอย่างไรสรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีศีลมีธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาศีลห้าประการ และเกิดสินข้อที่5้าอย่าให้ขาดสติถ้าคนขาดสติแล้วเสียหายไปอยู่ในสถ า, า, านที่ใดก็ตามถ้าคนขาดสติเหมือนเราเหมือนอคนเป็นบ้าเห็นไหมคนเป็นบ้าในถนนผมยาวๆเน่ยเราเห็นแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันคนขาดสตินี่ก็เหมือนกันคนดื่มสุราเข้าไปมากๆมันขาดสติได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ให้ขาดสติ น, นี่แหละสิ่ลธรรมที่หลวงตาในใแนะนําแล้วก็พร้อมกันให้ลูกหลานทั้งอกตั้งใจ เรียนหนังสือนะั้นลูกหลานนะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนอยากจะเห็นลูกของตอนเองเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้เพื่อจะได้เมื่อเรียนจบไปแล้วก็มีความหวังพ่อแม่ก็มีความหวังว่าคงจะได้ไปสอบเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเอาตัวรอดนะพ่อแม่มีความหวังอย่างนั้นนะกับลูกทุกลูกหลานทุกคนนะเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคน เมื่อพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งตั้งใจศึกษาอย่าไปทะเลทลายนะถ้าว่าลูกหลานผู้ใดทะเลทลายไม่ตั้งใจเรียนหนังสือพ่อแม่ได้ยินข่าวพ่อแม่ทราบข่าววงสาคณนาญาตทราบข่าวครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอนรู้เรื่องทราบข่าวก็ไม่สบายใจเพราะนั้นพวกลูกหลานต้องตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือต้องตังอกตั้งใจ เป็นคนดีในเมื่อเราเป็นคนดีแล้วเราตั้งใจเรียนหนังสือแล้วนะอนาคตของเราก็จะไปได้ไกลนะแต่ถ้าเราพวกเราไม่ได้คิดถึงอนาคตของตนเองเห็นสนุกเป็นวันๆไปมีโทรศัพท์ก็ดูอะไรทั้งบี่ทั้งวันเล่นกงเล่นเกมทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาไม่ได้ใส่ใจในการเรียนหนังสืออนาคตของเราจะต่ําต้อยนะลูกหลาน เระนันขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็พร้อมกันกนยาลืมศีลธรรมอย่างที่หลวงตาได้แนะนําเบื้องต้นเรื่องศีลห้าคือสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศเซนจากนั้นก็ให้เป็นผู้มีธรรมจะคิดจะทําอะไรให้มีให้คิดดีทดําดีพูดดีแต่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาลูกหลานคงจะรู้ว่าคิดดนะีคิดยังไงคิดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนและผู้อื่น กิไม่เอารัดเอาเปรียบคู้เอินกิดคิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือสาธารณชนอย่างที่ลูกหลานผู้บ่ายจานที่คิดว่าจะเอาภาพป่ามาช่วยหลวงพ่ออย่างนี้แหละเนี่ยว่าคิดดีเพราะว่าวัดวาศาสนาได้รับได้ประสบอุ ท, อทกะภัยคือน้ําท่วมเสียหายลูกหลานกับกิเออจะหาจะถูกปัจจัยยังไงมาช่วยหลวงตาเพื่อวัดวาศาสนาไม่ใช่มาช่วยหลวงตาแล้วมาช่วยวัด อย่างพวกเราเข้ามายางวันนี้แหละเข้ามาหลงตาลูกหลานก็ไม่ได้เอาเงินมาสร้างสราหลังนี้ใช่ไหมแต่คนอื่นเข้ามาสร้างแต่พมพอมาสร้างแล้วมันเสียหายลูกหลานเออเอามาพ่อเรามาเอามาช่วยกันเ อ, เ, อเอาเงินมาช่วยกันเพื่ อ, อความผาสุก ข, ของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาปฏิบัติธรรมอันนี้แปลว่าคิดดีแล้วสนะนี่แหละอันนี้ว่าคิดดีถ้าทำแล้วก็าทา หาจะตุไปัจจมาช่วยคือว่าทำดีและก็พูดดีกันมาถึงวัดแล้วก็ไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปโนะ เ, เรากาพระแต่ละครั้งกล่าวยังไงวันทานะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละอันนี้ไปว่าพูดดีเพราะนั้นถ้าเราไปนักสถานที่ใดคิดดีพูดดีทำดีมีแต่ความผาสุกนะลูกหลานถ้าไปที่ไหน คิดกูคิดไม่ดีคิดแต่จากขาโมยของขคนอื่นเขาคิดพยาบาทปองอร้ายเขาเห็นผิดทำดีไม่ไดดีทำชั่วไม่ไดชั่วนะคิดไม่ดีลเลยสิการทำออกไปกันเนี่ยจากขาโมยคนอื่นจากฆ่าสัตว์จาก ข, าากขาโมยผิดสินห่านะโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเองนะถ้าพูดไม่ดีเพราะนั้นให้ลูกหลานเป็นคนดีถ้าลูกหลานเป็นคนดี อยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกนลูกหลานนะเอาการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาลูกหลา น, นเพราะเที่ยงแล้วนี่ยลูกหลานจะคงจะหิวอาหารหิวข้าวแล้วนะตอนนี้ไปก็เนี่ยทางโรงทานเขาคงจะมีอาหารให้ลูกหลานได้ทานอาหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราขึ้นไปกราบพระภูกร้อนนะจ๊ะเนีพระพุธทพพธปฏิมาก็สวยมากนะและก็พระของหลวงตาองค์ดานี่นะ ลูกหลานก็องเป็น้าอะไรทาสีหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นหินนะลูกหลานนะเป็นหินนินสเปนะเป็นหินแทนะ้เนี่ยเขามาแกะเป็นแกะพระพุทธ ร, รูปนะเป็นหินสีดําจากนั้นเอาน้ํามันเอาน้ํามันมะพร้าวน้ำมัน อ, นนอนนนะทานะีไม่ใช่ทาสีนะน้ำมันมะพร้าวทาพอทาแล้วก็สีดํามิมอย่างนี้แหละเป็นสีหินดําถ้ามองใกล้ๆจะเป็นเห็นสายแรข่ขาวๆพาดไปพาดมาเนะี่นี่แ ธงสีดำทั้งสองข้างนพระสาวกรว ก, กระบกกลาภาษาไรบุตรนี่ก็เป็นนี่แหละเป็นหินเหมือนกันสายแร่มือนกันเป็นหินเป็นฝีมือของคนจังหวัดเชีงยงรายอำเภอแม่สายนะมันทำมาพอทำที่นู่นเสร็จแล้วเาก็ยกใส่สิบล้อมาก็มาตั้งมาวางที่นี่นะเป็นพระพุทธปฏิมาเป็นพระพุทธรูปแต่ข้างในเป็นพระพุทธรูปสีทองพระพุทธรูปทองเหลือง ตั้งชื่อว่าพระพุทธอุโรมงคลองค์นี้ก็เลยตั้งชื่อว่าพระพุทธอุโรมงคลสองนะไปรองจากองค์นั้นจําลองออกมาเป็นที่องค์ที่สองนะเพราะฉนั้น อ, อลูกหลานคงจะว่าอ้แกนี่ราคาแพงไม่ลงตาแพงนะลูกหลานนะสามองค์นี่สามล้านแปดแสนห้าเ่ค่าแกะนะอแพงมากเพราะมันแกหินใช่ไหมถ้าแกะกล้วยหลงตาคงไม่จ้างเขาหรอกแกเองเ อ, อ ในแกห่หิจ้างเขาเน อ, อตั้งสามล้านกว่าอง์แต่ลุกเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็สวยงามใช่ไหมละ่ะใครยกก็ยกไม่ได้ยุคนี้นตลอดไปเลยเส น, นเอามีอะไรก็กล่าวคำถวายภาพป่าแล้วจะให้พรในเสนี น, นะกับนวัส ก, การหลวงพ่ออินถวายที่เคารพในนามของคณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศวันนี้ได้นายอดภาพป่า มาเป็นมูลค่าหนึ่งด่บาทและถวายหลวงพ่ออินถวายอีกตั้งหาก 1,000 0บาทต้องกับขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้กับสตีราชินูทิตในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับโอ้ลูกหลานถวายผ้าป่าได้ยอดเยอะเหลือเกินถ้าลูกหลาน ได้ทำการทำงานได้เป็นแพทย์เป็นหมอได้เป็นพยาบาลลวงตาคงจะได้ ม, มากกว่านี้นะอันนี้ลูกหลานเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญนะจึงได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทาแล้วถวาลงตาอีกถวายลวงตาอีกหนึ่งมื่นบาทแต่ลวงตาจเจ้าเข้าในี่แหละเจ้าเข้าช่วยกำแพงทั้งหมดนะลูกหลานนะ ลุงตากำลังทำกำแพงกาลังท ำ, งทำสะพานอยู่เลยเนะี่ยสะพานนะตัวมันกินเงินเหล็กเส้นหนึ่งฟังงโดนเล่นเส้นละ8 0 0กว่าบาทแต่ใช้เท่นเหล็กนิ้วตงเกือบร้อยเส้นเล็กกันเหล็กเหล็ก6ห้าหุนอีกลองลงมาลายร้อยเส้นลายร้อยเส้นอีกเพราะนันกินเงินตัวนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันกับคนกรีฑ ที่ทําสะพานที่ทํารัว้วซ่อมตอนนี้หมดเป็นหลายเงินทตเดียวแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ที่บีงคนอยากจะถามว่าหลวงพ่อจ่ายเงินไปเท่าไหร่ละไปมันล้านกว่าบาทแต่เดียวนี้นะแต่ถ้าหาว่าได้เท่าไหร่จะพอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าสองล้านเนี่ยคงจะย่อมเกินไปถ้าได้อีกสักออีกสักสองล้านห้านองพอแน่ๆหลวงพ่อว่าเงินะแต่ว่าเขา้ากล่าวไว้นะ ทางทางโยธาเขาีนนั้นก็ปบอว่าแปดล้านกว่าเออที่เขาประเมินนะแต่หลวงพ่อทำจริงๆไม่น่าจะถึงสี่ล้านนะคิดว่านออที่ทำนะประมาณจักสามล้านกว่านี่าน่าจะอยู่ได้ น, นี่นะ <c oughs> อันนี้ก็จวนจะเสร็จแล้วแต่โอ้โหมันหนักหนักเรื่องเหล็กเรื่องเหล็กเก่งใช้เก็บกระเบกจะทาสะพานนี่แหละขอขอบ โอ้อบใจครูบาอาจารย์และกันลูกหลานทุกคนเนาะให้ได้บุญหลายๆลายและลูกหลานเนาะสาธุให้เจริญทั้งหน้าที่การงานประสบอายุวันนะสุขภ า, าระ <c oughs> สุขกายสุขใจอยู่ณสถานที่ไดย <c oughs> มีตต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีทุกทุกคนนะลูกหลานเนาะสาธุ